ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมห า, าตะไรีปรถุมในวันนี้จะพูดเรื่องพยะเพราประสูตคือพระสูตที่ว่าด้วยความกลัวจะ<ม> อ, อยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปันาตอีกเช่นเคยก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะ ผู้ประสูตรในมัชชิบ ม, น, ม, มนิกายมนกาให้จบสักอันนาตนี่คือเล่มหนึ่งแต่ก็เป็นประสูตรที่ยาวคือในมัธิมนิกายที่จริงก็ประกอบด้วยประไยบิดกสามเล่มแต่บรรจุ ป, ประสูตรไว้ถึงร้อยห้าสิบสองสูตรแต่ละสูตรจะมีนัยยะวิจิตพิสดาร ผลแต่ละสูตรจึงไม่สามารถจบครบเดียวแต่ที่จริงก็ไม่ต้องไปติดใจอะไรนะครคือพระสูตรเนี่ยก็แสดงหลักอริยสัจสีโดยวิธีการต่างต่างเขาเรียกว่าเป็นปริยายเทศนาคือแสดงโดยนัยะหนึ่งนยะาหนึ่งบ้างแล้วก็เป็นนิปริยายคือแสดงตรงกันทุกคราว เป็นอย่างไดก็เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นที่เราสดวดว่ากรรมัสโกมีกรมดาญาโดกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิเสนาโนอย่างกรรมังกฤษสามีกัลยาณังวาปากัปากป่าปักกงว่าตาสดาญาโดภวิสามีเมื่อไรก็เมื่อนั้น แปลว่าเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผ MM ู้รับผลของกรรมมีกรรมมีกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมไม่ที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นพูดอย่างอื่นไม่ได้อะมันเป็นข้องมันอย่างนั้นเองอันนี้เขาเรียกว่านิปรายความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มันก็เป็นเข้ามันอย่างนั้นแหละเป็นนิปรายอย่างนั้นเอง พจนแนวอริยสัจเนี่ยที่แสดงตามโครงสร้างของอริยสัจจึงเรียกว่านิ ป, ปริยายหมายความว่าทุกครั้งที่ส่งแสดงข้อความทุกคำเนี่ยจะเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็มีปริยายคือแสดงแง่มุมหนึ่งโดยปริยายหนึ่งโดยเนายะหนึ่งแต่ผล่อการปฏิบัติมันก็จะออกมารวมลงที่อริยสัจ บางครั้งทรงใช้เข้ามารวมลงที่สัมมาทิฐิบางครั้งใช้เข้ามารวมลงที่อัปตมารก็ได้พระสูตรนี้พระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันนัเป็นอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นชานุสโสณีพราหมณ์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าชานุโสณีพราหมณ์ในเป็นพรพราหมณ์ผู้ใหญ่นะมีบทบาทในพระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง เมื่อคาดควาแล้วก็กราบทูล ถ, ถามถึงที่จริงเป็นเรื่องอดีตนะฮะหรือ ถ, ถามถึงการเสด็จออกพนวดของพระพุทธเจ้าแล้วก็บาเพ็ญเพียรอยู่ในป่าตามลำพังพระองค์ท่านก็กราบทูลว่าบุญบุญเหล่าใดที่มีศรัทธาออกบวชเป็นบนรรพชิต อุทิศเฉพาะท่านประโคดมผู้เจริญท่านประโคดมผู้เจริญทรงเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นมีอุปการะคุณแก่กุลบุตรเหล่านั้นทรงชักชวนกุลบุตรเหล่านั้นและประชุมชนนั้นย่อมปฏิบัติตามแบบอย่างของพระโคดมผู้เจริญหรือนี้ก็เป็นคําถามซึ่งเราจะเห็นว่าข้อความที่สื่อนะ แสดงว่าตอนนั้นท่านน่าจะยังไม่ประกาศตนเป็นอุปสกบเพราะถ้าประกาศแล้วจะไม่กล้าเรียกหรอกเป็นการเรียกพระนามเยกมาเคยเคยตามเสด็จสมเด็จพระสังฆราชไปทางห้าจังหวัดภาคได้เรสังเกตว่าการพูดนี่แปลกหรือตามปกติเช่นว่า กราภูมิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะไม่ออกพระนามขอเดชะฝ่าละองทุลีพระบาทปกก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเคใช้คือใช้สรรพนามเวลาท่านผู้ว่าในห้าจังหวัดแต่ ก, กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชก็ประคานกราบภูลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลหมาสังกัมไพนายก กิที่จริงก็ใช้คำว่าฝ่าพระบาทก็พอแล้วหรือว่าใช้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบิณายกคือไม่ควรจะเรียกพระนามต่อหน้าจริงการเรียกชื่อต่อหน้าเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นงยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ประเด็นที่ถามก็ถาม ถึงประเด็นที่คนซึ่งศรัทธาออกบวชแล้วพระองค์เองก็ทรงชักชวนแล้วประชาชนก็ปฏิบัติตามยะเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะครับถามวาเป็นเช่นนั้นหรือไม่พระผู้มีพรภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเฉพาะเราเราก็เป็นหัวหน้า ประน์นี้สำคัญมากนะคือตามปกติแล้วจากการสังเกตจากการสังเกตเช่นสมมติว่าเป็นหน่วยงานระดับกองหัวหน้ากองต้องมีความรู้สึกว่าทุกคนคือเพื่อนร่วมงานของตนให้ความสนิทสนมความเสมอภาคจงย่องตำาหนิไปตามทุกคนในการกระทำของเขา แต่เราเห็นว่ามันก็มีการเล่นพรรคเล่นพวกเกาะกลุ่มกันเป็นพวกใดพวกพวกใครพวกมันเรามามองถึงวัดซึ่งสร้างอุทิศสงฆ์ที่มาจากจจตุรชิตใครจะมาอยู่ก็ได้แต่ว่าพอมาอยู่แล้วเนี่ยคนที่เป็นสมภารเนี่ยมองคนทุกรูปทุกคนภายในวัดเนี่ยเป็นคนของตัวเองหรือไม่ ถ้ไม่ย่างั้นเกิดเดินพักเดินพวกการเปิดใจให้กว้างในขณะเ น, นี้พุทธปฏิปทานนี้มีทุกคนที่บวชอุทิศต่อพระองค์พระกรูพระองค์ก็เป็นหัวหน้าของคนเหล่านั้นแล้วก็ทรงอุปการะแก่กุลบุตรเหล่านั้นชักชวนกุลบุตรเหล่านั้นในทางธรรมจดกลายเป็นพุทธกิจหลัก ทรงประทานโอวาทแก่พระสงฆ์ทุกๆเย็นในขณะเดียวกันก็นำพาพระสงฆ์ไปในที่ต่างๆพักที่ไหนก็จะประทานพระโอวาทแนะนำชี้แจงสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นผู้ให้โดยส่วนเดียวพระองค์ไม่ได้รับอะไรมีแต่ให้กับให้ การปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการกระทำเพื่อบุญของคนนั่นเองก็ต้องการบุญก็อุปถากดูแลพระพุทธเจ้าแต่พุทเจ้าไม่ประสงค์แม้แต่การห้อมล้อมนะฮะของบริษัทบริวารตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งถ้านุูฟังจะสังเกตว่าพระปริยัติเนี่ย จะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ค่อยเป็นขบวนอ่ะแต่ถ้าอาจารย์กรรมาฐานแล้วไปเป็นขบวนเลยมีบริษัทบริวารห้อมล้อมดูแลกันเยอะเลยซึ่งบางทีเนี่ยมันเราก็นึกนะฮะเกอมาคนเนี่ยถ้าเขานิมนต์แล้วเขาไม่บอกว่าให้มีพระติดตามไปด้วยเนี่ยเราไม่เอา เพราะไปถึงที่นั้นเนี่ยเขาต้องมีของถาวายมีน้ำดื่มมีอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยกขาเพิ่มค่าใช้ใจ่ายนะโดยเขาไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนบือทีถ้าเขานิมนถุ่มดมดว่านิมนพระตามไปด้วยกี่องค์กี่องค์เราก็เอาจัดให้เขาเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไปผูกพันกับของตอนรับแขก เขาต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการนิ ม, มนต์บางทีก็มีพระกข้ามาต่อว่าไม่เห็นอาจารย์ไปที่นั่นที่นี่ที่โน้นบอกเขาเขาไม่นิ ม, มนต์จะไปได้ไงเพราะว่าิในที่งานอะไรก็ตามเนี่ยไม่เคยไปเลยนะฮะถ้าเขาไม่นิ ม, มนต์มาแล้วไม่ไปเพราะอะไรเมื่อเราไปแล้วเราต้องรบกวนที่นั่งเขา เราปวดน้ําดื่มน้ำใช้เขาอาหารเขาอะไรต่ออะไรเขาไม่ได้นิมนต์เราเออกไปได้ไงแล้ววินัยที่จึงกําหนดไว้อย่างนั้นแต่ว่าพระอาจจะลืมหรืออาจจะอ่านไม่เจอคนที่ทำนะฮะอาจจะลืมไปหรืออาจจะอ่านไม่เจอว่าจริงๆแล้วพระไม่มีสิทธิ์ไปในรัฐานที่ต่างๆที่คนเขาไม่ได้นิมนต์เพราะจะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เขาเกิดความสิ้นเปลือง แนั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลานำพร ะ, สะเสด็จเนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปบิณดาบาัดไปด้วยกันนะฮแต่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปบิณดาบาัดได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ก็อยู่ให้ได้เพราะลักษณะเสียงอย่างเนี้ยพระจึงต้องฉันรวมกันดูแล ก, กันเพื่อจะได้สงเคราะห์นเคราะห์กันให้แต่ละรูปเนี่ยอยู่ได้ ทีนี้คนเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามสำคัญเนี่ยนะฮะเรื่องใหญ่สำคัญว่าคนจะมากหรือจะน้อยก็ตามขอให้ปฏิบัติตามถ้ายากถ้าไม่ปฏิบัติตามแม้แต่คนเดียวก็ยุ่งนะเระยังมองว่าเบรเนี่ยความคิดสังคมเปลี่ยนองค์กรสงปรับเปลี่ยนได้ไหมถ้าปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วตั้งหลักยังไง เพราะว่าเราจะหวังให้กุลบุตรเข้ามาบวชอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่กันหลายๆปีเนี่ยจะยากมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะนั้นให้ประชากรร้อยล้านเนี่ยพระไม่มีทางเพิ่มเกินสี่แสนอาจจะลดลงฮะเดี๋ยว น, นี้สอบถามกันทั่วประเทศเลยปรากฏพระเนรลดลงเยอะ บางแห่งเนะะี่ยหาบทยากนะฮะเช่นภกักใต้เนี่ยหาบทยากภาคกลางก็ยากขึ้นภาคอีสานก็ภาคเหนือภาคเหนือบางทีต้องไปเอามาจากโน่นจากโยงนานจากเชียงรุ่งภาคอีสานก็บางไปเอามาจากเขมรจากลาวนะฮะที่นี้คือปัญหาชานุโสโณนีพราหมณ์ได้กราบทูลถามว่า ก็แต่พระท่านพระโคโดมเสนาสนะอันส ง, งัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวในยากที่จะอยู่ได้ในภาวะที่โดดเดี่ยวอยากที่จะอยู่ได้อยากที่จะยินดีป่าทั้งหลายประหนึ่งว่าจะซักพาหัวใจภิกษุทั้งหลายให้ไม่ได้สมาธิแล้วก็จิตใจไข้ขวัเป็นการแสดงให้เห็นว่า ยุคนั้นตรงนั้นขนาะนั้นนะ่ยพระส่วนใหญ่ยังอยู่ป่าเพราะว่าประเทศตะวันก็รับรองพระได้ระดับหนึ่งแต่ในปฏิวัติโลกมันก็เปลี่ยนนะอยู่ป่าประเดี๋ยวก็นายทุนก็ฆ่าแต้ต้องการจะตัดไม้ข้างวัดพระพุทธเจ้าได้รับสั่งว่าข้อนั้นก็เป็นอย่างนั้นนหะดีนี้ก็รับสั่งเล่า แล้วสั่งเล่าถึงชีวิตของพระองค์ว่ามันแก้ปัญหายังไงเพราะอย่าลืมว่าปัญญวคีแม้จะอยู่ด้วยกันแต่ก็อยู่ลักษณะต่างคนต่างอยู่เพราะมันไม่ถึงกับเป็นลูกศิษย์ทีเดียวเพียงแต่ว่าปัญญบคีมาด้วยความมุ่งหวังว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคงได้ศัสรู้หรือจะได้สอนธรรมแก่ท่าน โดยเฉพาะตอนมันเป็นเพียงทางจิตนี่จะอยู่ทำลำพังเพราะจึงรับสั่งว่าแม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้สัสรู้ก่อนสัสรู้นั่นเองได้มีความตำริ ด, ดังนี้ว่าเจนาชนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวยากที่จะอยู่ได้ในภาวะที่โดดเดี่ยว ความสงัดกายากที่จะทาได้ยากที่จะยินดีได้ปาทั้งหลายประหนึ่งว่าจะชักผ่าใจของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้เขวไปคือตาใจมีสมาธิแล้วมันมันมันไม่เขวหรอกจะเข้าสมาธิจิตสงบมันก็ไม่รับรู้อะไรข้างนอกแต่ว่าก่อนจะเป็นสมาธินี่มันจะยุ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความกลัว นานมาแล้วอย่างที่เคยเล่าเรื่ึงทชักกสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยยอดแห่งทงเป็นพระสูตที่พระเจ้ามีพระประสงค์จะแสดงเองเขาเรียกว่าอัตตชาสยามคือ เ, เกิดขึ้นในัตยาสัยของพระองค์รับสั่งเล่าว่านานมาแล้วมันเกิดเทวสูตรสงคราม การทำสงครามระหว่างท้ากะเทวราชจอมเทพกับเวปัญจิติอสูรมีการต่อสู้กรณีพิพาทหลายๆเรื่องก็ปัดกันแพ้ปัดกันชนะเทวดาเองเวลาออกรบก็หวาดกลัวพวกอสูรบางทีก็วิ่งหนีกระเจิงกระเจิงไปเลย พ, พระพุทธเจ้ารับสั่งลาวว่าทศกะก็ประชุม ปรชุมพวกเทวดาว่าเวลาเกิดอาการขนพองสยองกร้าวเกิดสะดุ้งเกิดหวาดกลัวขึ้นมาเนี่ยคมองดูธงจอบเทพสีท่านคือวรุณเทพอิสานเทพประชาบดีเทพหรือว่าเท้าส ก, กะเทวราชเองเมื่อมองแล้วก็จะหายกลัวหายสะดุง้งหายหวาดหวัน่นพรั่นพรึง ถฏิว่าท่านเหล่านั้นยังอยู่ก็สามารถช่วยปกป้องร่องภัยได้แล้วสั่งแกไปสู่ตั้งหลายว่าแม้เธอทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อเข้าไปอยู่ในป่าเป็นที่สงัดเงียบยากจะอยู่ได้ในภาวะที่โดดเดี่ยวเดียวดายความสงัดกายก็ยากจะทําได้ยากจะทําให้ยินดีได้ป่าก็อาจจะทําจิตใจค่อยเขลยสับสน วาดสะดุง้งขนขนพองสยองกร้าวถ้าเกิดขึ้นก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็สาธยายบทว่าอิติปิโสภควาอรังสมาสมุทโหนี่ฮะก็จะหายบาดหายสะดุง้งหายขนพองสยองกร้าวถ้ายังไม่หายก็ให้รำลึกถึงคุณพระธรรมตามบทสวากาโตแต่ยังไม่หายก็ให้ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ก็จะหายบาดหายสะดุ้งได้ รับสั่งว่าผู้เทวดาที่มองทงมหมาเทพทั้งสี่เนี่ยบางครั้งก็อาจจะหาดหายหวาดหายสะดุง้งหายาการขนพองเสยองกราบางครั้งก็ไม่หายเพราะท่านเหล่านั้นเองก็ยังกราบยังสะดุง้งยังขนพองเสยองกราบอยู่แต่ว่าพระรัตนตรัยเนี่ยไม่หวาดไม่สะดุง้งไม่มีอาการขนพองเสยองกราบเพราะเมื่อรำลึกถึงมันก็จะ หายหวาดกลัวหายขนพองหายสะดุง้งทีนี้ตอนนั้นยังไม่มีพระรัตนตรายพระองค์ก็ยังเป็นปูุ้ชนนะยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็มาคิดแก้ปัญหาด้วยลำพังพระองค์พอเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาก็ดำรีว่าสำนักหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายกรรมไม่บริสุทธิ์ พูดง่ายว่าคนชั่วคนชั่วอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็สะดุ้งนะคนทาผิดแ่ใกล้ๆคนทำคนทำผิดนานมาแล้วที่จริงสมัยเป็นเด็กกันะฮะมันมีอาการเกิดขึ้นคือตอนนั้นก็ฝึกเขฝึกทหารนะี่ยตอนญี่ปุ่นยึดครองประเทศเ่ยเขาฝึกทหารก็ทําปืนด้วยไม้นะฮะทำไม่รูปปืนก็ทําปืนด้วยไมย้ก็ฝึกอาวุธกัน ก็ในขณะที่คนคนหนึ่งทึ่ไปฝึกอาวุธกลับมานี่เดินมาทางไกลเดินมาไกลๆคนกลุ่มหนึ่งก็เล่นไพ่นนก็นึกว่าตำรวจมาแกวิ่งหนีคนกนหนึ่งวิ่งหนีก็ไปเข้าไปอยู่ในป่านึกว่าจะคนจะไม่เห็นพอหันไปดูปรากฏว่าหลังมันไม่มีอะไรปิด หรือวิ่งขึ้นไปบนบ้านชาวบ้านเอามองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรปิดวิ่งลงไปที่ที่ที่เก็บข้าวนะฮะคือข้าวทางภาคใต้เนี่ยเขาเก็บเขาเรียกเป็นเลียงคือเป็นมัดปัดปัดปั ด, ดซ้อนกันู่กระลื้ลงไปแล้วไปหมกตัวอยู่ขานาอยู่ไม่ไหวเพราะหัวไม่โปรโ ว, วิ่งหนีฮะลงลงไปกระโดดลงไปในคลองดำน้ำเพื่อจะหนี ไปติดใส่ขนาดใหญ่พอดีเขากำลังกู้ใส่แต่เมื่ตายอันนี้คือเราจะเห็นว่าเป็นอาการของความหวาดรัวมันจะสูญเสียความมั่นใจเพราะอะไรเพราะกายกรรมตัวเองไม่บริสุทธิ์กำลังเล่นการพนันเตือนอยู่วางคนเราที่มีปัญหาเรื่องความประพฤติเนี่ย จะต้องหวาดจะต้องสะดุง้งจะต้องกลัวถึงรับสั่งว่ามีกายกรรมไม่บริสุทธิ์เสพเสนานสนะอันสงัดเป็นที่ปาเปรียวสมพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนให้เราสังเกตว่าที่กลัวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะตัวกายไม่สุดไม่ไม่สุจริตแต่เพราะว่าจิตประกอบด้วยอกุศลผลจิตประกอบด้วยกุศลจึงเป็นเหตุให ประพฤติผิดประทุษรา้าต่อชีวิตประทุษร้ายต่อรายต่อทราบลงละเมิดในทางเพศเอาสักข้อนี่ก็แย่นะไปทำผิดสักข้อนี่ก็แย่ทีนี้คือกายกรรมไม่บริสุทธิ์นี่เป็นเหตุแล้วเดี๋ยวมาๆ ก, ก็ดูพระองค์แล้วเราล่ะเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างานางงั้นหรือเปล่าปรากฏว่าพระองค์ หาใช่ผู้มีกรรมกายกรรมไม่บริสุทธิ์ไม่เพเินเสพเสนาสนะสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลีย่ยวเราก็เป็นผู้มีกรรมะยะายกรรมบริสุทธิ์พระยาเหล่าใดมีกายกรรมบริสุทธิ์เสพเสนาสงัดที่เป็นป่าและก็เป็นป่าเปลีย่ยวบรรดาพระยาเหล่านั้นเราก็เป็นพระยาบุคคลอง์หนึ่งนะจริง ต, ตอนนี้อย่าลืมว่า พระยังไม่จัดสรุปหรอกเพียงแต่ว่าทรงผ่านการบริวัติมาถึงอรูปฌานมาแล้วนะสำหรับสมัยนั้นก็ถือว่าผู้ประเสริฐอนิญะตในที่นี้หมายถึงผู้ประเสริฐนะฮะไม่ได้หมายถึงเป็นพระญาติบุคคลในความหมายที่หลังเพราะว่ารับสั่งไว้ตั้งแต่ต้นว่าแม้เราเมื่อเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้จัดสรุคือบอกชัดเจนนะกาลเทศะโอกาส พระองค์สถานะของพระองค์ยังไม่เป็นพระพุทธเจา้าอันเดีจึงเปลว่าผู้ประเสริฐดูกรพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความมีกายกรรมมันบริสุทธิ์นี้ในตนจึงมีความเป็นผู้มีขนเรียบรดยยิ่งเพื่ออยู่ป่าและจากนั้นก็จะจะดูไปเรื่อยนะดูวัจิกรรมที่ไม่บริสุทธิ์วัจิกรรมไม่บริสุทธิ์นั้นก็อีกหละ ก็คือพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาพูดเลวหลายมันจะพูดยังไงก็ตามกรอบมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็คือจะสีเรื่องแต่ข้อที่น่าสังเกตว่าคำพูดเหล่านี้เป็นธุรกิจนะเวลาเนี้ยสร้างผลประโยชน์ให้คนจำนวนมากการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่เรียกว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะโกหก มากหรือน้อยท่านั้นเองเดี๋ยวพูดเกิดจริงแล้วกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดยุงแย่งตะแข่งรั่วทั้งหลายจนกลายเป็นงานระดับโลกเป็นงานอาชญากรรมการด่าทอกันโดยวิธีการที่รุนแรงทางสื่อทั้งหลายเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ต่างๆเนธุรกิจกิจกรรมเพอเจอร์ทางสื่อโทรทัศน์นี่ชัดมากเลย ยังนึกว่าแมมสังคมไทยเราเนี่ยถูกชี้นำโดยคนอย่างเงี้ยเสียเวลาไปเป็นหลายชั่วโมงคืนคืนหนึ่งได้อะไรอ่ะบอพักผ่นหย่อนใจใจมันหย่อนจริงแตแต่พวกนี้ก็ขยันจริงๆฮะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ขยันจริงๆ เราสังเกต ร, ร, รายการโทรทัศน์ที่เป็นสาระแก่นสารบางรายการในหน้าหน้าดูนะเดยกว่าหมายความว่าถ้าเราครน้นหนังสือเนี่ยคงใช้ไานานแล้วก็หลายเล่ม น, นะกว่าจะได้ความรู้ขนาดนั้นแต่เราดูที่เขาจัดขึ้นมาทีเดียวเนี่ยเราก็เข้าใจอะไรได้เยอะแต่การเรานี้อยู่ไม่นานแล้วสปอนเซอร์ไม่ไม่เล่นด้วยเพะะิ่นจึงดูว่าพฤจิกรรมเป็นยังไงบริสุทธิ์ไหม พระองค์ก็เห็นวิจิกรรมที่บริสุทธิ์พระองค์ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่เพอเอเ้อเจ้อเหล่วไหลดํารงอยู่ในสัจจะส่งเสริมสา ม, มัคคีประสานสา ม, มัคคีกระชับสา ม, มัคคีประดรํามรดนั้นไพเรอะพระพุทธเจ้าเรียกว่าพรห ม, มสระคือพระสุรเสียงเมืังกับพรหมไม่มีเพอ้อเจอนะฮะคือโดยพืชนอัธยาศัยของพระองค์ตั้งแต่เป็นพระจิจุมนันไม่มีการพูดเพอ้อเจอ้อ ดูมโนกรรมบริสุทธิ์ไหมมโนกรรมก็คือเนี่ยความคิดเราเนี่ยมีความโลภอยากได้ของคนอื่นไหมมีความมาคาดพยาบาทบุคคนอื่นไหมมีความเห็นผิดอยทําทนองครองธรรมไหมนั่นก็เห็นว่าไม่มีทีนี้อานิวะล่ะการเลี้ยงชีพเป็นยังไงบริสุทธิ์ไหมการเลี้ยชีพที่บริสุทธิ์ในกล่าวโดยสรุปง่ายๆนะว่า ละการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดมาดำรงชีวิตในทางที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมทั้งกฎหมายนะกฎหมายศีลแล้วก็ทำกฎหมายนิยาบกว่าเพื่อนเพื่อนคนนี้ถือว่าเป็นมาตรวัดว่าการเลี้ยงชีพของคุณนี่ผิดหรือถูกเลยว่าคล้ายๆกับกิจกรรมตรงนี้การอะไร สลากกินแบง่งเอายกตัวอย่างสลากกินแบง่งหรือแม้แต่ว่าขายสุราขายบุหรี่ถามว่าอาชีพนี่บริสุทธิ์ไหมคือสิ่งที่เราผิดเนี่ยมันเป็นโทษต่อผู้บริโภคสิ่งที่เราจําหน่ายเนี่เป็นโทษต่อผู้บริโภคในแง่คอนสีลแล้วก็ผิดแต่ในแง่กฎหมายไม่ผิดเพราะกฎหมายเป็นกติกาที่มนุษย์เขาตั้งขึ้นแต่ธรรมะแล้วแง่เลยเพราะอะไรเพราะเบียดเบียนบุคคลอื่น เกณมันก็อยู่ตรงนี้ยการผิดการจําหน่ายเนี่ยเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นคือเบียดเบียนผู้ที่บริโภคเพราะสิ่งที่เราขายออกไปเนี่ยมันเป็นโทษต่อผู้บริโภคทั้ทงๆ ท, ที่ผู้บริโภคนี้มีคุณเอเรานะอสะตางค์มาให้นะแต่เราก็ขายของที่เป็นโทษแก่เขาให้เข้าไป ในนอนนั้นก็สมัครใจแต่ตามอาชีพเราในแง่ของศีลกับแง่ของธรรมเนี่ยไม่บริสุทธิ์แต่ในแง่ของกฎหมายกฎหมายก็ยอมรับก็ถูกในแง่ของมุมกฎหมายเพราะกฎหมายนี่ที่จริงก็อนิยายอะไรไม่ค่อยได้เท่าไรเราว่ากันตามความจริงเนี่ยแม้แต่รัฐธรรมนูญนะเรามาอ่านในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการหมาะควรเนะ่ยปัจจุบันที่เราไม่พูดถึงชาติาศาสนาพระมหากษัต ร, ริย์รัฐธรรมนูญ พระรามนูลม์เป็นลีลาอารมณ์เป็นความเห็นแก่ตัวแก่พวกพ้องของตัวเขียนไปเนหาที่ลงให้ตัวเองให้พวกของตัวเองไว้เสร็จเลยออกสเปกนะฮะออกสเปกเพื่อสร้างฐานความยิ่งใหญ่ความชอบธรรมให้แก่พวกตัวเองคือถ้ามีอุดมการชาติในรัฐมนูลไม่ออกมาอย่างาเงี้ยอันเวลนี้ที่คัดค้านกันอะไรเยอะแยะนะ เราเห็นว่านักการเมืองเขาคัดค้านที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการได้ผลประโยชน์ของตัวเองแต่คนที่มีใจเป็นธรรมเนี่ยมันจะขัดขวางในแง่ที่ในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นขาดความสำนึกคุณของพระาศาสนายานี้การไม่บัญญัต คำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยถือว่าอากตันยุพระแผ่นดินนี้พระเจ้าตักสินกู้ถวายพระพุทธเจ้าไว้แล้วพระาศาสนานั้นอยู่ภายในจิตใจของทหารหารที่กู้แผ่นดินที่รักชาติที่สร้างบ้านแปลงเมืองมาพระมหากษัตริย์นาสืบชาติมาด้วยคุณธรรมทางาศาสนาตัวเองเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้โผล่มา อาศัยร่มพระ บ, บรมโพธิสมภารแล้วก็มาตั้งกฎตังเกณฑนะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพือปกปองตัวเองแสดงให้เห็นหนึ่งมาตรการที่ไม่บริสุทธิ์แล้วก็หมายความอาชีวะเขาไม่บริสุทธิ์ทีนี้พวกนี้เมื่อบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์นะมันก็สร้างให้เกิดความกลัวเพราะ กายกรรมที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุวิจิกรรมที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุมโนกรรมที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเหตุโดยสรุปว่าตัวเหตุเนี่ยจะก่อให้เกิดผลเป็นความกลัวหรือความไม่กลัวเนี่ยมันอยู่ที่จิตประกอบด้วยอะไรแต่จิตประกอบด้วยผู้อกุศลทั้งหลายมันก็จะเกิดความกลัวแต่พอวิเคราะห์พระองค์พระองค์ก็มาดูให้ลองสังเกตวิธีการพระพุทธเจ้า พรเจ้าจะไม่สวดสอบคนอื่นจะตรวจสอบที่พระองค์จะมองกลับเข้าหาข้างในแต่คนทั่วไปนี่จะมองออกไปข้างนอกอย่างยกตัวอย่างรายการวันจันทร์เนี่ยนะคันถามเป็นอันมากที่ถามเนี่ยเพื่อประสงค์จะด่าคนอื่นคือยืมพระด่าคนอืยิยงคําถามของพวกครูพวกตำรวจ โ, โอ้เยอะเลย ก็ยังนึกว่าวันหลังเนี่ยน่าจะเอาคําถามของข้าราชการระดับบริหารมาตอบสักวันเนี่ยนะเพื่อดูความคิดว่างคนผู้นําของสังคมในหน่วยย่อยของสุตร ข, ข, ของเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยไอ้โลกทัศน์ยังไงอ่ะมีวิธีคิดยังไงวิธีมองอยังไงมันมองออกข้างนอกเป็นเรื่องแปลกประหลาดมอออกข้างนอกเลยจงชี้ผิดชี้ถูกเพ่งโทษคนอื่น ไม่ได้มองที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเององค์กรตัวเองเลยชาวบ้านเนี่ยศีลหาบางทีตัวเองรักษาไม่ได้แต่พูดเรื่องศีลพระพระเป็นอย่างนั้นพระเป็นอย่างนี้พระเป็นแน่นอนพระไม่ใช่เทวดาจากสวรรค์พระคือผิดผลจากครอบครัวของชาวพุทธนั่นเองเป็นการเลื่อนไหลของสังคมทเท่าะะนั้นเพราอเราจะคาดหวังให้พระเปิดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยไม่ได้ มันมีคราวหนึ่งมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมันสร้างเป็นตัวแสดงขึ้นมาเป็นรูปพระนะฮะหัวหัวในสวมสาวเบาแล้วก็ยกนิ้วเป็นรูปสองนิ้วนะฮะยกนิ้วเป็นรูปสองนิ้วแล้วพอดีเขามาพบอัตมา เขียนต้องการจะด่าพระรูปหนึ่งตอนนั้นก็คือเจี๊ยบนะฮะเจี๊ยบที่จริงก็ศึกไปแล้วจริงหนังสือพิมพ์ไปรื้อฟื้นก็ศึกไปแล้วจริงเทศเนยไม่รู้หรอกแต่เขาศึกไปแล้วอามาก็ถามว่าคุณเรียนจบอะไรมาจบปิญญาตรีอยุธท่าไรอายุสาบห้า 35. ถามว่าคุณรู้หรอเจี๊ยบอายุเท่าไรอายุเ็ายี่สิบกว่าก็าจบอะไรฮะจบปสี น้องที่จบป .4 เนี่ยสามารถรักษาศีล10ศีน200ยุด7ได้รสกมาไปได้หลายปีนะแล้ววันหลังก็เกิดพลาดถามจริงๆอ่ะคุณเคยรักษาศีล5ได้ครบ7วันไหมไม่ได้อะมาเอาคุณรุ่นพี่เยียบเขารักษาศีน5ไม่ได้ แล้วเจี๊ยบก็รุดเด็กรุ่นน้องความรู้ก็น้อยกว่าคุณน่ะรักษาศีลมากกว่าคุณน่ะแล้วก็เกิดพลาดอ่ะทําไมคุณไม่พูดตอนพระรักษาได้อะไรเราอย่าลืมว่าคุณก็คนเจี๊ยบก็คนคนหนึ่งศีน่าก็รักษาไม่ได้แต่รักไปด่าคนรักษาศีนองร้อยเจ็ดมันเป็นเรื่องที่น่าละอายแต่คนคนจะไม่สํานึกเพระเจ้าเพ่งโทษคนเองจะผิดคนเองเรื่องยุ่มยิ้ม ได้สาระแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าคนที่เราพูดถึงเนี่ยเขาไม่รู้เพราะนั้นจริงๆเนี่ยคือถ้าเรามองกลับแบบพระพุทธเจ้าี่ตรวจสอบตัวเองว่าส่วนเราหาใช่ผู้มีอชีวะมีกายกรรมมีวจิกรรมมีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ไมเพราะนัเมื่อ เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่กวรแก่การสะดุง้งจากนั้นก็ส่งตำริ่ต่อคือเล่าต่อนะฮะเล่าต่อไปว่าตุกคนพราหมณ์เหล่านั้นได้มีความตำริ่ดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เราใดเ่าหนึ่งมีความอยากได้มากมีราคากล้าในการทั้งหลายแล้วก็อยู่ในป่า เ, เสดสเสนาสะนะอันสัญาตได้พวกนี้แน่นอนนะฮะใจจะวิ่งออกนอกป่าตลอด กาอยู่ในป่าแต่จใจจะวิ่งออกนอกป่าให้เราสังเกตว่ามีความอยากได้มากเป็นโลภะมีราคะกล้าเป็นราคะทั้งโลภะทั้งราคะเนี่ยมันก็อยู่ในตัวอามิตรแหละคือตัววัตถุกา ร, รมวัตถุกรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผูดทพะคือสัมผัส เขาก็แถนธรรมารมเข้าไปด้วยที่จริงธรรมารมณ์นั้นก็คือรูปเสียงกิริยโธปตภาพนั่นแหละแล้วมันอยู่ภายในใจเป็นอารมณ์ที่เราเก็บสะสมเอาไว้และเรานำมาตึกนึกมาเนํามาเนียวนึกตามกระบวนการทางจิตที่รับอารมณ์จําอารมณ์คิดอารมณ์รู้อารมณ์เนี่ยตรงเนี้ยก็านามาคิดเราเรียกมันว่าธรรมารม อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเราปรุนนำมาปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมา ทีนี้คนที่จิตใจเป็นอย่างเนี้ยไม่อยู่ในป่าต้องหวาดต้องสะดุ้งต้องเกิดขนพองสอยองกล้าวแล้วเราล่ะนะกลับมามองที่พระองค์แล้วเราล่ะเราไม่มีเราหาใช่ผู้มีความอยากได้มากมีราคากล้าในการทั้งหลายเสพเสนาสนาอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ไม่มีความอยากได้มาก แล้วก็เทียบเคียงพระองค์กับพวกอริยะระดับอริยะทั้งหลายที่ว่าเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งหนึ่งในอริยะเหล่านั้นเพราะฉะเมื่อเราเห็นชัดซึ่งความไม่มีความอยากได้มากนี้ในตนจึงมีความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งอยู่ในป่า สงบนะแต่ในที่บางแห่งเนีรับสั่งเล่ารับสั่งล่าก็แสดงว่าในตอนที่ที่ประไทยยังไม่เข้มแข็งมากพอสงชาติการทรามานร่างกายหรือเจ้าใช้ ว, วิธีทรามานจะ น, นั่งกลัวเนี่ยนั่งจนหายกลัวไปทับยืนแล้วมันกลัวยืนจนหายกลัวเลยถ้านอนกลัวนอนอย่างนั้นแหละไม่ต้องลุกหรอกไม่หายกลัวเธอไม่หายกลัวฉันไม่ลุกอะ่ะ วิธีฝึกเด็ดเดี่ยวมากคือบางครั้งบางคราวเราก็ดูพุทธจริย์ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ตุมการไปบัตรของพระพุทธเจ้ามายังอ่านหนังสือมาเสียน า, าสศจนไม่จบคือคื อ, ค, อคืออ่านไปแล้วเนี่ยเราตกใจเรากลัวเราสงสารพระพุทธเจ้าว่วาโอ้กว่าพระองค์จะได้ธรรมะมาช่วยโลกเกือบเป็นเกือบตายนะฮะเราไม่ได้ถึง หนึ่งในล้านของท่านเนะี่ยก็แล้วก็ศัตรูประชันประัาสามสิบพาเราเจ็ดสิบสองแล้วยังไม่ได้เรื่องเลยอันนี้ที่จริงหน้ามองนะฮะต่มาพอเห็นคนเจ็ดสามสิบาแล้วนึกถึงพระพุทธจาสักทีโอ้หนุม่มจังเลยเป็นศาสดาที่หนุม่มฟอหล่อเฟี้ยวเลยนะฮะ สเสด็จพุทธลำเนินมิลมพังพระองค์อุศงาดุจพระยาราชสีคำรามอยู่ในป่าหลมันสยบคนนะปกติยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆลองนึกดูนะครับัญจวคีที่มีความคิดเป็นปฏิปักษ์ในสยบนะถามว่าใครแก่กว่าระเจวาคีแก่กว่าแต่ว่าพุทธานุภาพเนี่ยมันยิ่งใหญ่ นัดหมายเตรียมต่อต้านเต็มเต็มที่เลยนะฮะพอเข้าใกล้อนะไรอ่อนเป็นเทียนถูกลนไฟเลยหายไปเลยเรานึกถึงภาพของพระยะักเป็นคนรุ่นราวข่าวดีวกับพุทธเจ้านแหล ะ, ะเดินบ่นไปที่นี้บุญวายน้อนที่นี่เกิดของน้อนที่นี้บุญวายน้อนที่นี่เกิดของน้อยรับสั่งยักสะ ที่นี่ไม่วุ่นวายทีนี้ไม่ขัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่เธอตอนนั้นพระพุทธเจ้าพรนษาเท่าไรสามสิบหกพรรษาสามหกยังหนุ่มเหลือเกินนะยะศาซึ่งเป็นคนหนุ่มรุ่นราวข่าวเดียวกันแล้วก็เป็นเศรษฐีคราดเข้าไปแทบประบาดเลยภาษาิบุตรพระโมกคลลานะก็รุ่นราวขาวเดียวกันแล้วน่าจะแก่กว่าได้ทำไป พระมากระสปะโอนี่แก่กว่าหลายีนี่คือยิ่งใหญ่เราเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่เป็นปกลิกภาพที่ที่น่าทึ่งนะฮะน่าทึ่งน่าสัจาย์มากคือคราวๆเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันรู้จักอิ่มะเวลนี้ก็มีสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้าในวันอังคารช่องกะก็ต้องตามดูครับ ท, ทางที่บางที่เราก็เคยไปแต่ก็ดูไม่อิ่มอะ ก็ดูเร่ดูได้เรื่อยใครให้วีซีดีมาเรือกุญญาฐานสังเวียนาฐานเราก็ดูทางด้านเราเคยไปมาแล้วทั้งนั้นแต่ก็อยากดูแต่ดูมันก็ทำให้รรย้อนนึกถึงพระพุทธองค์ในว่ายิ่งใหญ่จริงๆจากนั้นก็ทรงดำริว่าสำนักรุพรามเราใดเหล่าหนึ่งมีจิตพยาบาทมีความดำริในใจชั่ว เสพเสนาอันสงาที่เป็นป่าเปรี้ยวไปดูจิตด้วจิตที่มีาค่าพยาบาทหรือว่าจิตที่มันชั่วเป็นเหตุเนี่ยพาให้เกิดหวาดเกิดสะดุ้งเกิดอาการขนพองสยองกร้าวทีนี้ก็กลับมาดูพระองค์แต่พระองค์ไม่ใช่โครงสร้างเหมือนเดิมนะฮะสรุปไปแล้วกันว่าโครงสร้างเหมือนเดิมพระองค์มีจิตเมตตามีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ เพราะงั้นพระญาติเหล่าใดมีจิตประกอบด้วยเมตตาเสพเสนานสญัดที่เป็นป่าและก็ป่าเปลี่ยวพระญาติเหล่านั้นเราเป็นองค์หนึง่งเราเป็นหนึ่งในพระญาติทั้งหลายที่มีจิตเมตตาให้เห็นจิตเมตตาในตัวเราเราไม่หวาดไม่สะดุ้งไม่วิตกกังวลอะไรนะเพราะงั้นคนเราถ้าใจบริสุทธิ์เสียอย่างเนอะไม่ไม่ต้องหวัน่นกลัวมันเหมือนกับมือที่ไม่มีแผลเนี่ยมันจับยาพิษได้ จับเมื่อไรก็ได้แต่ถ้ามือมีแผลเนี่ยเราจับไม่ได้เพราะจิตก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าจิตมากใยความพยาบาทแล้วก็มีปัญหาคือจิตมันมีปัญหาให้ลองสังเกตว่ายามที่เราโกรธเนี่ยมันมองอะไรมันขวางหูขวางตาไปหมดจะให้สงบไม่ได้ พความปยาบาดมันจริงกับเหมือนกับโรคภัยค่าเจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายเรามันทําหน้าที่บ่อนเบียนทําลายเราเราจะมีแต่ทุกเวทนาเล่าร้อนแผดเผรีคนอื่นแบ่งให้เราไม่ได้เมื่อเราปว่วยเรานอนอยู่บนเตียงเนี่ยคนอื่นก็แบ่งความเปรียวปวดให้เราไม่ได้ปวดเท่าไรเราก็ปวดกับเราเท่านั้น ผนจิตใจที่มากด้วยความพยาบาทก็เป็นเช่นนั้นแต่พระองค์ล่ะพระองค์ไม่มีเมตตามันไม่มีพยาบาทเมตตามันสงบเย็นสงบเย็นจากความมาฆยาพยาบาทพระองค์นี้เรียกว่าเมตตาวิหารดีเลยมีปกติอยู่ด้วยเมตตาทักฟังทนายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไผบูรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี